ที่กรุงเทพนะครับผมก็นั่งฟังคัาพยายนสามีภรรยาคู่หนึ่งนะพูดถึงเรื่องราวนะชีวิตต่างๆของเขานะครับผมนั่งฟังอยู่ปุ๊บผมก็เอ๊ะคือสิ่งเหล่านี้ยผมสังเกตหลายครั้งว่าเวลาที่บอดแล้วที่เขาพูดเหรืออะไรเนี่ยสุดท้ายพูดเสร็จปุ๊บเขาลงก็หายไปทุก อ, อย่างีเนี่ยไปเขาฟังนะตอนนั้นเขาได้จังนะปุ๊บแล้วมันก็ต่างคนต่างกลับบ้าน มันจะเกิดอย่างเงี้ยเป็นวงจอยอะไเงี้ยซ้ำๆทุกๆทุกๆวันถูกต้องไหมฮะผมก็เลยคิดว่าเอ้ยมันน่าจะมีสื่ออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันให้เขาเผยแพร่สิ่งข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์หรอเนี่ยต่อไปไม่จำไม่จำเป็นต้องเป็นคําพยาาหรืออะไรก็ได้ข้อมูลอะไรก็ได้ผมนั่งนัน่งคิดนะตอนนั้นเลยเลยนะเลยนะฮะแล้วคิดในใจว่าเอ้ยเขา คนเราจะมาเขียนจะมาโพส์อะไรเนี่ยคือบางทีแบบมันต้องชัมม่วโมงต้องเป็นงานเป็นกลางานะครับคนเราจะต้องทําไมต้องมานั่งสร้างคอนเทนต์อะไรใครเข้าใจค้าหมายไหมครัผมเลยบอกเอ้ถ้าเกิดมันสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วมันเกิดรายได้มันควรจะดีไม่น้อยหรูกต้องไหมผมก็เลยนึกว่าคนเราเนี่ยอ่าเล่นเฟซอยู่แล้วใช่ไหมครับมีใครในนี้เล่นเฟซบ้างครับแล้วไม่มีใครที่ไม่เล่นไม่เล่นไลน์เล่นเฟซบ้าง มีมีหนึ่งท่านเนาะโอเคก็ก็สามารถเล่นโปรเจกต์ p พ q, q นี้ได้นะไม่จาเป็นต้องยึดติดกับไลน์กับ Facebook นะเพราะว่า p พ q, q นี้เราเราเราเราทำการตลาดแบบเขาฉลาดนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้อตอมเขาพูดว่าหาฉลาดคืออะไรจริงๆแล้วตอนที่ผมเปิดโปรเจกต์ขั้งแรกผมใช้นก็ปิง ป, งปิงหรือพยาดนะแ ต, แต่สุภาพขึ้นหน่อยเป็นาฉลาดนะฮะโอเคคราวนี้ผมคิดถึงว่าโอเคอมันน่าจะมีอะไรที่แบบเป็นตัวกลางะฮะในการที่จะเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที้ลงไปโดยที่คนเขียนคอนเทนต์สามารถมีรายได้ไ ด, ได้ด้วยนะครับ facebook มีรายได้าจากทางไหนครับโฆษณาโฆษณาทางไหนอีกฮ ะ, ะมีใครรู้ไหมเอางี้ทุกคนเล่นเฟซอยู่ทุกๆวันเนี่ยครับเคยหาหรือไม่ว่าเอางี้คำถามเดียว Facebook รวยไหมครับรวยรวยมากไหมฮะ เขาเล่นตรงไหนอ่ะไอที่เราเราใช้ Facebook ให้เราใช้ฟรีไหมฮะฟรีแต่ทําไมเขารวยอ่ะมีแอพถูกต้องไหมฮะเขาเขาบว่าเขารวยจากคอนเทนต์ของเรานี่แหละทุกวันเนี้ยเราที่เราใส่รูปภาพใส่ข้อมูลต่างๆลงในเฟซบุ mainland, ๊กต่างๆเนี่ยเขาเอาตรงเนี้ยไปทําเงินจริงไม่จริงจริงไหมฮะทั้งทั้งที่ข้อมูลเหล่านี้ยเป็นข้อมูลของพวกเรานี่แหละหรือใครปฏิเสธว่ามันไม่ใช่ข้อมูลของเรา อย่างพี่ท่านนี้เป็นเฟซใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าพี่ท่านนี้โพสต์นะฮะโพสต์สิ่งที่ไม่ดีอะถึงบุ้คนที่สามถึงพี่ท่านนี้แล้วกันนะในทางที่เสื่อมเสียพี่ท่านนี้ไปแจ้งความตํารวจจับเจ้าของเฟซบุ o กหรือจับพี่ครับคุณโพสจักคนโพสตหรือว่ไม่ใครเป็นเจ้าของโพสฮะแต่ว่าเมื่อโพสต์ไปรับใครได้ตังค์ครับเฟซอันนี้มันแฟร์ไหมมีแนวไม้อยู่ข้างหลัโอเคทีนี้ โปรเจกต์นี้เกิดมาเมื่อะะเรารวมกันเนี่ยสร้างคอนเทนต์ดีๆขึ้นมาอยู่บนโลกอิเนเทอร์เน็ตเมื่ อ, เ, อเรามีารายได้ใช่ไหมครับเราก็จะมาแบ่งหารให้กับสมาชิกด้วยกันโดยเกณฑ์ในการวัดเราจะดูว่าใครสร้างทราฟริกในการเข้าระบบได้มากกกันโดยดูจากจำนวนวิวมันเองนะครับดีไมฮะดะีอ่ะขอเสียตกมือนหน่อยฮะผผมจะเป็นคนที่การตลาดพูดไม่ค่อยเก่งนะฮะเวลาผมจะบิวเลาเป็นเาผมจะขอเสียตงตมือผมจะขอตรงๆเลยนะฮะก็เชิดตกมือนิดนึงนะฮะ โอเคนะครับทีนี้ เ, เมื่อโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาเนี่ยผมก็เริ่มนั่งคุยกับพี่ๆน้องๆ น, น, นะฮะแล้วก็เพื่อ น, อนๆกันที่รู้จักกันนะฮะในกลุ่มกลุ่มเพื่อนๆกันดี่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะฮะคุยเริ่มจากโปรเจกต์ไม่กี่คนนะทุกวันนี้เพื่อ น, เอนๆเหล่านั้นหายเรียบเลยฮะ mm hmm. ไปหมดแล้วชุดเซตแรกๆก็คือคือคือเขาไม่เข้าใจส่วนใหญ่คือจะเป็นเข้าใจในแถาแล้เข้าใจในกลุ่มของคนที่เขาไม่รู้จักเราแล้วก็ เขาเหมือนว่าเขาเขาจะเห็นวิชั่นของเรานะฮะเพื่อนเพื่อเราเาเาจะขัดเราหมดฮะเขาจะแบบเาเห็นว่าเอ้ยเอ้ยอไม่อม่น้เนาเวอร์ไปแล้วนะฮะคิดอะไรงเนียเอ้ยองจะทำโปรเจกต์อะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันมันมันเกินเกินที่ว่าเอเด็กคนนึงจะทาขึ้นมาถูกต้องไฮะแล้วปัจจุบันเนี้ยเรามีสมาชิกเกินหลักหมื่นไปแล้วฮะขอสงกองเหน่อยครับที่นีความสาเร็จคือความอดทนฮะความความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เจอนะฮะตอนตอนเริ่มโปรเจกต์ครั้งแรกอะ่ะ มันยังไม่มีโลโก้ไอเพจยูทูด้วยซ้ำตอนผมแม้งคุยตอนที่ผมเริ่มโปรเจกต์เนี่ยยังไม่มีเว็บไซต์เลยซะด้วยซ้ําแต่พูดปากเปล่าพี่ลองนึกสภาพนะผมพูดนะฮะพูดต่อหน้าคนจํานวนมากทั้งที่ยังไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นขอเสียงตบมือให้ทีมงานผมด้วยครับเพราะว่าทุกคนมีความเชื่อแล้วก็ทำมันจนสำเร็จจนมาเป็นรูปกระทำได้นะฮะแล้วก็เดินหน้าถึ ง, ถงทุกวันนี้นะฮะโอเคในทิศทางอนาคตเนี่ยเราจะไม่ได้มีแค่โพสต์นะครับ มันจะเป็นในเรื่องของการทรําโพได้ทํากระทูได้นะครับสามารถาที่จะเอาสินค้าของสมาชิกเนี่ยขึ้นมาขายบนโลกออนไลน์ได้นะครับดีไหมฮะถ้าเกิดว่าเราขายสินค้าด้วยถ้าลูกค้าไม่ซื้อแต่แขวบขอให้เข้ามาดูเราก็ยังได้เงินดีไหมฮะดีเราได้ยอดวิวด้วยใช่ไหมสองเด้งดีไหมฮะดีนี่งานเตในอนาคตนะครับผมทีนี้สิ่งหนึ่งอย่างหนึ่งนะฮะที่ผมมาตั้งใจมากนะครับในวัยเด็กเนี่ย ผมชีวิตผมเวลาปั่นจักรยานแนีเวลาที่เราผ่านบริษัทที่ใหญ่ๆก็พวก TOT พวกแคทเทลคอมพวก a อ1อสวั t ว c ตออะไรก็แล้วแต่น่ผมคิดว่าผมอยากจะทำอะไรยิ่งใหญ่แบบเนี่ยผมอยากให้ให้องค์กรของผมมันเป็นบริษัทมหาชนนะครับนี่ถ้าออกไหมฮะเพราะฉะนั้นไอโปรเจกต์เนี่ยเราคิดขึ้นมาเพื่อจะไปทั้งโลกถูกต้องไหมครับเพื่อจะไปทั้งโลกทีนี้ ผมอาจจะไม่เป็นเจ้าของบริษัทนี้คนเดียวนะฮะผมจะเอาเข้าเอ า, เอาบริษัทผมมาเข้าตลาดทุนแลวให้ทุกคนบบร่วมกันเป็นถึงหุ้นเป็นเจ้าของรรอบริษัทดีไหมฮะดีแล้วบริษัทผมนะฮะโปรเจกต์เทีคิเนี่ยนะครับก็จะเป็นของคนไทยทั้งชาติเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยะครับขอสิรมือฮะขอบคุณมากคคุณไม่เก่งฮะต้องั่งคำนจบครับเชออตอมกอนอ๋อโอเคฮเราผมีโออีกรอบเดงแล้วกันนะฮะขอบคุณมากนะครับ